ขอความเจริญในธรรมจึงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอถึงเลขขมะบารมีที่แปลว่าการออกบวชหรือการออกเพื่อกุลอันใหญ่หรือการเว้นบาปหรือการไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแต่อย่างนั้นก็มีความหมายแนวเดียวกัน ก็คือว่าเป็นการใช้ชีวิตในรูปที่เรียกว่าธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมและพรหมจ ร, รยิยาคือการปฏิบัติพรหมจันทร์แต่พรหมจันท ร, ร์ที่คนระดับประโพธิสัตว์เมื่อยังไม่ได้ศัตรู้ออรรประพฤติธปฏิบัตินั้นถ้าไม่บอกไว้อย่างชัดเจนก็ตามแต่ว่าจากเรื่องชาดก ที่ศึกษาติดตามดูแล้วก็เทียบเคียงกับหลักพรัมจร์ทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ระดับศีลหกับศีลแและพรัมมิหาร4แล้วก็ตัวผลนั้นก็เข้าถึงสมบัติครูประชาและรูปปัญญาเป็นอย่างสูงเพราะการปฏิบัตินั้น ถ้าต่อเลยขึ้นไปจนเป็นพระยาบุคคลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องพระโพธิสัตว์แล้วมันเป็นเรื่องอีก ส, สายหนึ่งเพราะในความเป็นพระโพธิสัตว์กับความเป็นพระยาบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันพระโพธิสัตว์พอถึงเป็นพระยาบุคคลปั๊บก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยคือไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่สายของพรหมจรรย์ น, นั้นก็มีการลดลังกันขึ้นไป อย่างที่ยกตัวอย่างพวกดาบท8แปดประเภทมาถึงประเภทสุดท้ายที่ค่อนข้างอุกฤษมากคือประเภทที่แปดอาหารที่ใช้เป็นพักษาก็หยิบกินเฉพาะใบไม้ที่หล่นมาจากต้นเท่านั้นก็แสดงว่าใบไม้เหลืองหรือใบไม้ที่มันเกิดพายุ แล้วก็มีการหักโคนลงมาก็ร่วงหล่นได้พอโอกาสที่จะจีกกินยอดไม้เนี่ยไม่มีเลยหรือว่าจะเจอก็นานๆครั้งที่บอกว่ามันก็ใครไปทำให้ลหล่นโดยเฉพาะยิ่งก็พายุหรือพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำให้หลน่นลงมาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สมาทานบูชด แล้วจริญประมัยารจนถึงจุดหนึ่งก็บรรลุสมบัติส ม, บ, สมบัติประสมบัติแปดประการก็คือรูปฌานสีรูปฌานสี่ในบาลีนั้นพู้เจ้าทรงจำแนกแสดงประเภทของบุคคลในโลกอไว้ที่เกี่ยวกับเนกขมมะหรือไม่เนคขมมะนี่ไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกัน ก็ทำให้เราเห็นว่าหลักของเนค ข, ขมมะซึ่งดูเป็นรูปแบบของนักบวชก็ดำแต่เน้นที่การประพฤติปฏิบัติและความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของบุคคลเ่านั้นมันจึงกระจายตัวเองไปสู่กลุ่มคนได้ทุกๆกลุ่มกลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มสากลคือมีอยู่ทั่วโลกได้แก่กายก็ไม่ออกคือใจก็ไม่ออก ก็ถามมาออกจากอะไรถ้าดูแบบนาะดาบทก็คือออกจากเรือนเป็นต้นไปคือกลายเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ออกจากการมีครอบครัวไปเป็นผู้ไม่มีครอบครัวแล้วออกจากหมู่คณะไปเป็นผู้ไม่มีหมู่คณะแล้วพยายามออกไปเรื่อยๆจนออกไปจากกิเลสไปโดยลาดับ แต่คนพวกนี้จะไม่ออกอะไรก็หมายความว่าเป็นการใช้ชีวิตแนวโลกเกียธรรมสุดขั้วคือหมกมุ่นมันวอยู่ด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ไปในคันลองแห่งอบายเป็นนักเลงยิงนักเลงการพนันควบคนชั่วเป็นมิตรเกลี้ยกล่อมทำการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการเล่นต่งตางๆซึ่งเป็นชีวิตที่สาธารณะทั่วไป ประเภทนี้ก็คงไม่นับไปนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นคนอยู่ในโลกคือไม่นับว่าเป็นพรหมจรรย์ไม่นับว่าเป็นธรรมจริยาแต่ว่าก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมากก็บางคนก็นอกศีลนอกธรรมไปเลยมีพฤติกรรมการครองชีวิตที่ค่อนข้างจะรุนแรง แนวที่สองนี่เป็นแนวที่เรียกว่ากายออกแต่ใ จ, ใจไม่ออกคือหมายความมาโดยรูปแบบเราจะบอกออกบทเป็นพระภิกษุโกนผมโกนหนวดจนถึงก็โกนคิ้วโนองห่ผมผ้ากาสาวะไปอยู่เป็นสถานที่ในวัดว่าอารามหรือเที่ยวทุดงหรือเที่ยว อ, อะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นพระทำกันเนี่ยโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ย จิตใจของท่านออกจากอำนาจกิเลสได้หรือไม่ศึขษาบทบัญญัติต่างๆที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ท่านปฏิบัติตามหรือไม่ถ้ว่าจิตใ จ, ใจของท่านไม่ได้จางไม่ได้คลายไม่ได้ลดละบรรเทากิเลสออกไปเราก็กลายเป็นรูปแบบเป็นวิถีชีวิตที่เราเรียกว่า กายได้ออกจริงคือปฏิเสธไม่ได้เราแต่ว่าจิตใจท่านไม่ได้ออกเราถามว่าได้ไม่ได้ออกจากอะไรโดยรูปแบบก็คือไม่ได้ออกจากการเบียดเบียนั้นคือเนื้อหาจริงๆเนื้อหาของความเป็นผู้ออกเนะี่ยคือไม่เบียดเปลี่ยนใครสมณะก็คือผู้ไม่เป็นภาสศึกค่าสึกอะไรกับใคร อยู่ในที่ใดก็ตามนะเป็นมีความรู้สึกต่อกคนโดยความเมตตากรุณาตามต้องควรแก่สถานะถึงแน่นอนในภาคของการปฏิบัตินั้นจะต้องมีการสำรวมระวังตระหนบัญญัติของศีลแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองฝึกปลือตัวเองจนถึงกับควบคุมจิตใจตัวเองได้จะเรียกว่าธรรมะก็สามารถจะเด็ก ตัวเองหยุดตัวเองไม่ให้ประพฤติไม่กระทำความชั่วได้แต่ว่าท่านก้าวไปได้ขนาดนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ออกแต่ถ้าไม่ก้าวไปมันก็ออกได้เฉพาะกายใจของท่านยังไม่ออกถ้าถามว่ากับประเภทแรกอะไรดีกว่าก็ดีกว่าแน่นอนดีกว่าประเภทแรกแน่นอนเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสไป หยาบยาบนะก็หลายระดับไม่มีบุตรไม่มีทรัพย์ไม่มีครอบครัวไม่มีพัญญาก็อย่างน้อยก็เป็นวิถีชีวิตที่สงบขึ้นนะนะประการที่สามในค้นเข้าถึงเนื้อหาคือไม่ได้ติดในรูปแบบแล้วตรงนี้หมายความภาษาทุชนทั้งหลายเนี่ยที่ไฟดีมีมากพอ ก็สามารถจะเลือกใช้ชีวิตในลักษณะนี้ได้ต่นเรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกคือหมายความว่าภายในใจิตใจเนี่ยมันไม่มีความคิดในทางนองเบียดเปลี่ยนไม่มีการพูดอันเป็นการเบียดเปลี่ยนตนเองและเบียดเปลี่ยนบุคคลอื่นก็งดเว้นการกระทําที่เป็นการเบียดเปลี่ยนตนเองและเบียดเปลี่ยนบุคคลอื่นแน่นอนก็ทต้งองก็ฝึ ทังก็ฝึกปรื้ทั้งก็ปรุงตนเองอยู่ภายในบ้านเนี่แหละแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้รูปแบบอะไรเป็นคนประเภทที่เข้าใจในกระบวนการของกรรมเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นใครทํากรรมใดไว้ก็จะต้องไป็นรับผลกรรมนั้นก็ว่าชีวิตก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมแล้วก็ ีการฝึกปลืออบรมตัวเองข่มใจตัวเองถือพวกนี้ปฏิบัติพัฒนาได้ไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงระดับที่เรียกว่าเป็นพระนาคามีเป็นระยาบุคคลชั้นสามก็เรียกว่าโดยคุณธรรมแล้วเนี่ยก็สูงกว่าพระภิกษุที่เป็นสามัญสูงกว่าพระโสดาสูงกว่าสกาิทาคาแต่โดยเพศเนี่ย ระยะบุคคลแม้ระดับอนาคามีก็ยังต้องให้ความเคารพนับถือภิกษุซึ่งเป็นอุปสมบั์แล้วก็อยู่ในเพศก็เรียวกว่าอุดมมาเพศไอ้ส่วนจิตใจท่านก็เป็นคนรับผิดชอบของท่านเองแต่โดยสถานะของพุทธบริษัทแล้วเนี่ยท่านก็วางกันไว้ยอย่างนั้นเราจึงเรียกเรียกไว้สองกลุ่มใหญ่นะเรียกโดยเพศ เรียกรูปแบบของการบวชที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยว่าเป็นอุดมมัยเพศแต่ผู้เฉพาะข้างนอกเหมือนกันนะแล้วก็เรียกชาวบ้านซึ่งจิตใจอันจะสูงสูงก็เดียวหินเพศคือโดยรูปแบบเนี่ยก็เพศต่ากว่ า, ต า, วาแต่ว่าตา่มในที่นี้ที่จริงมันต่าโดยเพศแล้วก็ต่าโดยศีลแล้วก็ต่ำโดยคุณธรรม แต่คุณธรรมที่กำหนดไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าคุณธรรมนั้นกำหนดกันไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่มีรูปแบบอะไรเลยเป็นตาสีตาสายยามายามีนีบ่บางทีจิตใจดีกว่าท่านที่อยู่ในรูปแบบแล้วข้อสุดท้ายนั้นก็คือออกทั้งกายทั้งจิตก็หมายความมาจากรูปแบบที่สองนั่นแหละท่านออกจริง หมายความว่ากายของท่านก็สงบลรงวาจาของท่านก็สงบลรงจิตใจของท่านก็สงบลรงอาการของกิเลส ก, ก็จางไปคลายไปบรรเทาไปจนสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมคือไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทําประโยชน์แก่นตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็มีความสูงมีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับจนถึงโนท์แหละพระอระหรันต์ พระเจกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าในแนวคนนี่ขมภารมีไม่ได้พูดระดับโน้นนะะเพราะระดับโน้นเลยไปละมันเป็นผลผลเขาเนขมะบารมีไปละแต่ก็เป็นการเรียงสายยาวให้ดูนั่นเองก็เพื่อต้องการให้เห็นว่ามันสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายในพรหมจริยกถา สังสาชนของนึกออกในบทมอ่บทมงคลสูตรที่ท่นานใช้คำว่าตะโปจะพระมิจิจยันจะอริยสัจานรรสนังนิบานาสจิกริยาจะเอต ม, มังขลามุตบังคำว่าพระมจริยาจะเนี่ยคือการประพฤติพรหมจันทร์ ท่านก็รวบรวมคําว่าพระหมจรรย์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาโดยฤาษีจีไพรโดยนักบวชโดยใครก็ตามที่พระเจ้าทรงรับรองมาเป็นพรหมจรรย์นเนี่ยพระพรหมจรรย์ก็หมายความว่าเป็นการประพฤติประเสริฐหรือการประพฤติธรรมตามประพฤติประเสริฐเราก็เรียกว่าพรหมจรรย์ประพฤติธรรมเราก็เรียกว่าธรรมจริยาแต่ก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐขึ้นไปโดยลําดับก็คล้ายๆกับอะไรละ่ะ คล้ายๆกับนักเรียนระดับอนุบาลด้วยกันชั้นสูงก็ถือว่าประเสริฐกว่าชั้นล่างประถมก็ปหก็ประเสริฐกว่าปหนึ่งสองสามสี่ห้ามัธยมก็มหกก็ประเสริฐกว่าอีกสามอีกห้ามข้างล่างปญญาตรีปญาตรีปีสก็ประเสริฐกว่าข้างล่างกันไปต้นเนี่ยนะคือมันก็เทียบเคียงกันในชุดของเขาก็ทําให้คนเดินเป็นรูปบันไดขึ้นไปได้เรื่อยๆมีความสงบมีความประณีต จะเพลิงกิเลสหรืเพลิงทุกข์ขึ้นไปได้โดยลำดับวันก็จะนำผู้พรหมจรรย์มาเรียงให้ดูว่าบางเรื่องมันก็เป็นวิถีชีวิตที่กายเราไม่ต้องมีรูปแบบอะไรนะแต่ว่าเราก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้ระดับนึ่ประเภทที่เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกในขณะเดียวกันพอที่กายออกแล้วถ้าเพิ่มตรงนี้ขึ้นใหม่สมบูรณ์มันก็ออกได้ทั้งกายทั้งใจ ก็สุปว่าเป็นวิถีชีวิตที่สงบาบาปสงบปัจจุศลให้แก่บุคคลทุกประเภทที่ใส่ใจในธรรมมีความยินดีในธรรมประการแรกก็คือทานที่ได้เคยจําแนกแสดงไว้แล้วนะฮะเป็นฐานบารมีนั่นแหละก็ถือว่าเป็นพรอาจารย์ประการหนึ่งแล้วก็เป็นการออกจากกิเลสระดับหนึ่งประยารที่บอกไว้แล้วว่าในความเป็นทานนั้นที่จริงก็ออกยโสลโดลงเหมือนกัน ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเวยาวจัจจุบใหม่คือการแสดงความมีน้ำใจอาจจะเคารพอาจจะนับถืออาจจะศรัทธาอาจจะสงสารอาจจะพักดีก็แล้วแต่เป็นการบริการช่วยเหลือคูอกูลกับบุคคลอื่นขนขวายด้วยการบ้าโดยกายบ้างโดวยวาจาบ้างพอถือว่าเป็นเวยาวจัจจุบใหม่เห็นคนก็ถือของหนักก็ช่วยขิวเขา เห็นเด็กกำลังข้ามถนนคนจะลาข้ามถนนก็ช่วยไปจูงเขาข้ามมาเห็นคนผู้หญิงมีคันขึ้นมาในรถเห็นพระขึ้นมาในรถเห็นคนแก่ขึ้นมาในรถเห็ น, นผู้หญิงเด็กขึ้นมาในรถก็ลูกให้ก็เป็นวิยาวิ จ, จัยใหม่แบบง่ายๆเห็นเสศษขยะเศษแก้วก็ทิ้งเอาไว้ก็เก็บไปใส่ถังขยะเสีย จึงหมายความว่าใครก็ตามที่มีน้ำใจเป็นกุศลเป็นสาธาระพอประมาณนะฮะก็สามารถจะปฏิบัติพวกวิญญาณประมัในี้ได้ตลอดเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายที่เรามักพูดว่าโอ้มาดีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ดูแลไปเจริญชื่งกันและการเอื้อทอนห่วงใ ย, ยกันก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเขาก็พอแล้ว คือคนที่จิตใจเข้าถึงประเภทนี้เนี่ยเขาจะไม่คิดหยุมหยิมไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดแบบตกเบ็ดหรือไม่คิดแบบออยเยืออะไรแต่ว่าการใดที่ทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์เราเองรู้สึกเป็นสุขใจสบายใจที่ได้ทำเขาเองหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆแต่จะมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นความดีที่ควรแก่การปรักปลุกใจ มีพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ข้อหนึ่งคือกระชับดีทับสั่งว่ายทฐายทถายะ ถ, ายะ ถ, ายะถาลาพตะอันถังตถาตถาตัถาประกกรมยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใดบุคคลควรใช้ความพยายามในที่ดังนั้ น, น, นโดยวิธีดังนั้ น, น, น หมายความว่ามองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นแก่เราก็ได้แก่คนอื่นก็ได้หรือว่าถ้าทั้งสองข่ายได้เราก็ดีแต่อย่างน้อยที่สุดพวกวัยาวิจิตใหม่เนี่ยเรารู้สึกสุขใจที่ได้ทำขอรู้สึกสุขใจที่ได้รับการแบ่งเบาภาระรับการช่วยเหลือ แ, ลแสดงความมีน้าใจของบุคคลอื่นพื้นฐานตรงนี้ก็อยู่ในการเรียกว่ารักมนุษย์ ท่านจึงจัดเข้าไว้เป็นบุญยกริยาวัตถุประการหนึ่งในพวกการบาเพ็ญบุญทั้งหลายประการต่อไปก็คือพวกศีลอย่างที่ว่าไปแล้วนะฮะคือการประพฤติปกติทางกายทางมวิชาทางใจเป็นพวกศีลบารมีพวกนี้ก็เป็นเป็นบารมีด้วยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นบุญยกริยาด้วยประการต่อไปคือจะเรียงจากง่ายๆไปหายยากๆขึ้นนะ อาการต่อไปก็คืออุโบสถเตศีนซึ่งเป็นการรักษาศีลชั่วคราวแต่ว่ามีความประนีตขึ้นคือสีนแปดเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็งดเวรนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการกดเว้นจากการขับร้องประโคมดุนซีดีสีทีเป่าตลอดถึงดูการาแสดงการแสดงการเล่นเหล่านั้น เรก็เว้นากการประดับประดาร่างกายจนรูร้าวผูกฟ้าพุ้งเฟยก็การแต่งเนื้อแต่งตัวตามปกติหรือไม่ต้องตกแต่งไม่รูร้าวผูกฟ้ามากเกินไปก็เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ค่อยฝืนแต่ความรู้สึกนึกคิดอะไรเท่าไหร่แล้วแล้วก็เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ที่นอนสูงที่นอนใหญ่นะฮะหรือสูงทั้งสูงทั้งใหญ่เนี่ยนะก็ภายในที่ปลุกด้วยสิ่งที่กระตุ้นราคะก็ไม่นอนในที่นอนเหล่านั้นแต่ว่าเป็นการปฏิบัติในชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอย่างที่เคยบอกใว้ในวันก่อนนะว่าถ้าเรานับจริงๆก็ประมาณสัก แ7ิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งน่ะมันก็ผ่านพ้นพันธะกรณีตรงนี้ไปแล้ว้างการฝึกปลือปฏิบัติชั่วคราวโดยเน้นไปที่การบรรเทากรามาราคะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสีแปดเนี่ยข้อที่สามมันเป็นอพรรมคืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจับต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรกันไม่ได้นะ อันนั้นเป็นศีลระดับหนึ่งเลยศีลของนักบวชก็เรียกว่าอนาคาิยาวินัยวินัยของคนที่ไม่มีบ้านมีเรือนมันก็แน่นอนแหละคือประจับต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรต่ไรกันไม่ได้แล้วก็โดยละเอียดจริงๆถ้านักบวชประเภทนี้เนี่ยแม้แต่ว่าในหมู่พระด้วยกันหรือไม่ในหมู่สามเณรด้วยกันในหมู่พิษุนีด้วยกันไม่ในหมู่อะไรละ่ะตรมัดเรีรด้วยกันเนี่ย เป็นการจับต้องกายแต่ว่ามีความรู้สึกในทางเพศความโนวมเอียงไปในทางเพศเนี่ยความรู้สึกอะไรลนะ่ะปัจจุบันที่มีปัญหาวุ่นวายอยู่เรียกรักเพศเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้นะคคือคือว่ามันเป็นเป็นวินในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจับต้องโดยปกติธรรมดาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตามปกติในแวดวงของพระนี่เราไม่ค่อยจับต้องอะไรกัน ก็เป็นว้ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บคข้ได้ป่วยนะฮะก็จะช่วยเหลือกันคือจับเนื้อต้องตัวนในในวดบงพระด้วยกันพระกับพระนี่ก็ไม่ค็ยจับกันมันก็เป็นวัดปฏิบัติอีกระดับหนึ่งมันประนีตขึ้นแต่สำหรับชาวบ้านแล้วไม่ได้แปลกอะไรเขาห้ามเฉพาะในกรณีที่จับต้องโดยความกำหนัดในทางเพศ เพราะอะเพราะเป็นวิถีครอบครัวนะฮะคือเราไม่ได้ออกไปนอกบ้านในบ้านก็มีลูกมีหลานก็เต็มบ้านเต็มเรือนอยู่อย่างนายวิสาขามหมาวบาสิกาในชัดเจนนะฮะไปในลูกหลานก็ยาวเฟ้ยเลยเพราะลูกขอท่านยี่สิบหลานก็ท่านสี่ร้อยนะฮะนึกนนะนดูเป็นขบวนขนาดไหญแล้วก็ยั้วเยีย่ยมไปหมดแหละลูกหลานของท่านเนี่ยแต่ท่านเป็นมหมาวบาสิกาก็เหมือนกับ เป็นพี่สาวคนโตโดยทําไปนะคือมายังมองอยู่เรื่อยว่าเป็นเจ้าน้าวิสาขานี่ทําตัวเหมือนกับลูกสาวคนโตกว่ า, าพุทธเจ้าดูแลเขาหมดอ่ะภิกษุนีท่านก็ดูแลภิกษุก็ดูแลเจ็บไข้ไม่สบายดูแลเขาหมดนะมาเข้าวัดทีหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นหรอกดูที่ใครเจ็บไข้ไม่สบายบ้างมีอะไรขาดแคลนบ้างจะไปดูแลแต่ไม่จุนจ้านนะฮะไม่จุนจ้านไม่เข้าไปทําเจ้าแม่อยู่ภายในประเจตวันไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าจะมีลักษณะลักษณะเหมือนกับพี่สาวคนโตของพระไม่ใช่เหมือนลูกสาวคนโตของพระพุทธเจา้าใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ก็ท่านรักษาศีลแปดแต่วก็จริงก็วิถีชีวิตท่านก็ปกติธรรมดาเพราะงั้นจึงห้ามเฉพาะในกรณีที่การจับต้องด้วยจิตกำหนัดในทางเพศแต่มาอย่างนั้นก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมมันศีลข้อเดียวกันชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่ามีความประณีตแตกต่างกันโดยเพศโดยสถานะของบุคคลซึ่งประพฤติพรหมจรรย์ข้อนั้นดังนั้นข้อทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวจะว่าต่อไปแต่เฉพาะที่ว่ามานะฮกรดเจนว่ามันก็คือทานคือวิญญาณ ว, วาจิมัก็คือศีลแล้วก็ศีลนั่นก็ย่อยไปเรื่อยๆทุกข้อเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ เป็นพรหมจรรย์ไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศีลเล็กศีล น, น้อยก็ตามแต่ว่าที่จะเน้นไปจริงๆเนี่ยเน้นจากแปดหมายความว่ามันเน้นจากศีลแปดขึ้นไปแต่บางครั้งศีลห้าเองนะฮะก่อนเป็นพรหมจรรย์เพราะว่าในความเป็นศีลห้ามันก็สูงกว่าวายาวาวัจหมายวยาววัจหมเองเขาก็เป็นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นศีลห้าเองก็เป็นพรหมจรรย์ตามไปด้วยต้องฟังแต่หลาย แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองงามไปบุตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทัวกันสวัสดี